นิพพิทานุปัสนานิพพิทานุปัสนาคือพระนิพพิทายานที่กล่าวไว้ต่อจากอาทินวัฏยานในปริเจตที่หกย่อมปรากฏแก่ผู้ที่รู้เห็นความดับไปของรูปนามในปัจจุบันขณะนั้นนั้นแล้วรู้สึกว่ารูปนามน่ากลัวและมีโทษ จึงควรจะเบื่อนายรูปนามที่ตนรู้เห็นความดับไปนั้นผู้ที่ไม่รู้เห็นตามความเป็นจริงด้วยอนุวิปัสสนานี้ย่อมสาคัญว่ารูปนามหน้าเพลิดเพลินจึงเกิดความเพลิดเพลินที่เรียกว่าตัณหาอันเกิดร่วมกับปีติส่งผลให้เกิดกิเลสกรรมและวิบากรรนที่เป็นผลต่อมาโดยอาศัยความเพลิดเพลินเป็นเหตุ แต่ความเพลิดเพลินเป็นต้นนั้นย่อมถูกขจัดได้ด้วยอนุปัสนาในที่นี้รู้เห็นสังขารว่าเบื่อหน่ายดังนั้นเมื่อวิสุทธิมาร์กและมหาดีกากล่าวว่าหนึ่งคำว่านิพิทานุปัสนายะด้วยนิพิทานุปัสนาหมายความว่าด้วยอนุวิปัสนาที่ดําเนินไป โดยลักษณะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งหลาย 2. คํคำว่านัตถิโตจากความเพลิดเพลินหมายความว่าเปลืองจิตจากตัณหาที่เกิดร่วมกับปีติ 5. วิราคานุปัสนา ผู้เจริญวิปัสนาที่เบื่อหน่ายรูปนามด้วยนิพพิทายาแล้วย่อมคลายกำหนัดในรูปนามที่รู้เห็นความดับไปอยู่นั้นจิตของเขาย่อมน้อมไปสู่พระนิพพานที่ดับรูปนามดังคำพีวิสุทธิมักและมหาดีกาอธิบายว่าหนึ่งคำว่าขยะวิราโคความเสื่อมสิ้นไปอธิบายได้ว่า ความดับไปในทุกขณะของสังขารทั้งหลาย 2. อ, อจจันตวิราโคความสิ้นไปอย่างยิ่งคือพระนิพพานสามคำว่าวิราคานุปัสนาการรู้เห็นความคลายกำหนัดคือวิปัสนาและมักที่เป็นไปด้วยการเห็นวิราคาทั้งสองนั้นคำว่าวิราคานุปัสนายะ อนุปัสนาที่รู้เห็นความคลายกำหนัดอธิบายได้ว่าอนุวิปัสนาที่เป็นไปโดยลักษณะคลายกำหนัดเหมือนอย่างนั้นข้อความข้างต้นหมายความว่าความเสื่อมสิ้นไปของกองสังขารที่กำหนดรู้ชื่อว่าขยะวิราคะวิปัสนาที่กำหนดรู้ชื่อว่ารับเอาความเสื่อมสิ้นไปเป็นอารมณ์ส่วนพระนิพพานที่ดับสังขารทั้งหมดชื่อว่า อจันตะวิราคะแต่วิปัสนาไม่อาจรับรู้พระนิพพานเป็นอารมณ์ได้โดยตรงอย่างไรก็ตามมุลจิตตุกรรมยะตายานมีสภาพต้องการจะพ้นไปจากสังขารและน้อมไปสู่พระนิพพานดังนั้นจึงชื่อว่าเห็นพระนิพพานโดยอ้อมโดยน้อมไปสู่พระนิพพานด้วยเหตุนี้มุลจิตตุกรรมยะตายาน จึงได้ชื่อว่าวิราคานุปัสสนาเพราะรู้เห็นวิราคะทั้งสองอย่างนั้นแม้มรรคยานก็ได้ชื่อว่าวิราคานุปัสสนาเพราะรับรู้พรันทิพานเป็นอารมณ์โดยตรงและรู้เห็นความเสื่อมสิ้นไปของสังขารโดยหน้าที่อันไม่สงสยัยในที่นี้หมายเอามุนจิตุกรรมยะตายานว่าเป็นวิราคานุปัสสนาเพราะ อยู่ในเรื่องการจำแนกวิปัสนาฝ่ายโลกิยะผู้ที่บรรลุพังคยานไปแล้วสามารถรู้เห็นความดับไปของสังขารได้ชัดเจนย่อมเข้าใจว่าสังขารไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนปัญญาที่เกิดขึ้นในขณะนั้นที่มีลักษณะเบื่อนายชื่อว่านิพพิทานุปัสนาส่วนปัญญาที่มีลักษณะคลายกำหนัด ชื่อว่าวิราคานุปัสนาดังนั้นผู้ที่ปฏิบัติธรรมจึงไม่ควรบริกรรมในใจว่าหน้าเบื่อนายหน้าเบื่อน่ายหรือคลายกำหนัดคลายกำหนัดแต่ให้รู้สึกถึงสภาวะเบื่อน่ายหรือคลายกําหนัดในสังขารที่ปรากฏในไตรลักษณ์อย่างแท้จริง นิโรธานุปัสนานิโรธานุปัสนาคือปัญญารู้เห็นความดับไปเป็นมูลจิตตุกามยาตาญาณที่มีกําลังแก่กล้าซึ่งต้องการจะปล่อยวางสังขารที่ได้เห็นประจักษ์ความดับไปคนตัวไปไม่ได้รู้เห็นความดับไปพร้อมด้วยการปล่อยวางสังขารย่อมเกิดสังขารในภพใหม่ต่อไป โดยเนื่องด้วยสังขารที่ตนมิได้เห็นประจักษ์ตามความเป็นจริงแต่เมื่อรู้เห็นความดับไปด้วยนิโรทานุปัสสนาแล้วสังขารในภพใหม่ก็ไม่เกิดขึ้นการกำหนดรู้เพื่อไม่ให้สังขารเกิดขึ้นในภพใหม่นี้เป็นการทำให้สังขารดับไปดังคำอธิบายในคำพีมหาดีกาวิสุทธิมักว่าหนึ่ง คำว่านิโรธานุปัสสนายะปัญญารู้เห็นความดับไปคือปัญญารู้เห็นความดับไปของสังขารทั้งหลาย 2. อ, อีกในหนึ่งคือปัญญารู้เห็นโดยสังขารดับไปไม่เกิดขึ้นอีกโดยความเป็นภพใหม่ 3. แท้จริงแล้วอนุปัสนาก็คือมุลจิตุกรรมยะตายานที่บรรลุความแก่กล้า คำว่านิโรธานุปัสนามีความหมายสองประการคือปัญญารู้เห็นความดับไปหรือปัญญารู้เห็นว่าดับไปปัญญารู้เ <oils> ห็นเพื่อให้สังขารดับไปหรือปัญญารู้เห็นที่ยังสังคารให้ดับไปข้อความตามในแรกปัญญารู้เห็นความดับไปและตามในที่สองว่าปัญญารู้เห็นเพื่อให้สังขารดับไป ที่กล่าวไว้ในคำพีดีการนี้สอดคล้องกับคำอธิบายของนิโรธศับในคำว่านิโรโทนุปัสสีซึ่งกล่าวไว้ในคำพีอัิกถาเรื่องอานาปานกถาอนหนึ่งในคำพีวิสุทธิมักได้อธิบายข้อความจากคำพีปฏิสัมพิทามักว่านิโรเทติโน สมุเทตินิโรเทนโตสมุทยังปะชะหัติ ย, ออย่อมยังราคะให้ดับไปย่อมไม่ให้ราคะเกิดเมื่อทำให้ดับไปย่อมละความเกิดขึ้นของราคะได้ดังนี้ 1. เมื่อผู้ปฏิบัตินั้นไม่กาหนัดอยู่อย่างนี้ก็ทำให้ราคะในสังขารให้ดับไปด้วยยานขั้นโลกกก่อน หมายความว่ากระทำไม่ให้เกิดขึ้นสองอกนายหนึ่งเธอเป็นผู้ปรัสชาความกำหนัดอย่างนี้แล้วย่อมกำหนดรู้ว่าดับไปในสังขารในปัจจุบันที่ตนเห็นแล้วไม่กำหนดรู้ว่าเกิดขึ้นชั้นใดก็กำหนดรู้ว่าดับไปในสังขารในอดีตและอนาคตแม้ที่มิได้เห็นไม่กำหนดรู้ว่าเกิดขึ้น โดยยานที่พร้อยตามยานที่เห็นประจักษ์ฉันนั้นความหมายก็คือกำหนดรู้ว่าดับไปอย่างเดียวคือเห็นแต่ความดับอย่างเดียวของสังขาร น, นั้นไม่เห็นความเกิดตามหลักภาษาให้ลงนะปัจจัยท้ายนามธาตุคือนิโรธสับด้วยจะสับในสูตรของกัจจยนะวยยกรสูตรที่439 เมื่อมีรูปของธาตุลงนยะปัจจัยท้ายนามศัพ์และตั้งชื่อว่าการิตปัจจัยหรือลงอิปัจจัยด้วยสูตรในโมคลานวิยกรปริเชตที่ห้าสูตรที่ส2องว่าธาตุวัดเถนามัสมิลงอิในปัจจัยท้ายนามศัพ์ในอัฏถะของธาตุแม้ในอัตฐกถา จะแสดงความหมายของนิโรธานุปัสนาไว้สองในแต่ไม่ได้หมายความว่ามีสองอย่างที่จริงแล้วมีเพียงอย่างเดียวคือมุนจิตตุกรมยตายานที่มีกําลังแ ก, ก่กล้ากล่าวคือตามในแรกที่ว่าดับราคะโดยไม่ระบุว่าเป็นการจเจริญทำใดด้วยวิธีใดจึงจะทําให้ราคะดับและไม่ได้ระบุว่า ราคาที่จะต้องละนั้นเกิดในดวงจิตดวงใดเพียงแต่ให้กำหนดความดับของสังขารที่เป็นปัจจุบันอดีตและอนาคตแล้วละราคาที่หลงยึดติดในสังขารเหล่านั้นให้หมดไปอย่างเดียวกันกับในที่สองนั่นเองในที่สองท่านให้ระบุว่าจะต้องทำให้กิเลสใดดับไปเพียงแต่ให้ราคาดับไป เหมือนที่แสดงไว้แล้วในที่หนึ่งเมื่อบุคคลกำหนดรู้ความดับของสังขารแล้วราคาที่ยึดติดในสังขารก็ไม่เกิดขึ้นดังนั้นในที่สองจึงหมายความเหมือนกับในที่หนึ่งอันหนึ่งการกล่าวว่าทำให้ราคาดับยังหมายถึงการทำให้กิเลสอื่นกรรมที่มีราคาเป็นโมนเหตุและวิบากขันที่เป็นผลกรรม ดับลงด้วยดังนั้นในที่หนึ่งและที่สองที่กล่าวไว้ในคัมภี์ดีกาข้างต้นจึงสอดคล้องกับในที่สองและที่หนึ่งของคัมภีร์อัตกถาที่นํามาแสดงไว้นั้นสรุปความว่านิโรธานุปัสนาแบ่งออกเป็นสองประเภทคือหนึ่งปัจจคยานปัญญาเห็นประจักษ์วารูปนามในปัจจุบันดับไป รูปนามเป็นเพียงสภาวาธรรมไม่ใช่อัตตาตัวตนหลังจากเข้าใจว่ารูปนามที่ปรากฏทางทวานหกไม่เที่ยงเป็นทุกหรือบังคับบัญชาไม่ได้ 2. ออนุมานญาณปัญญาที่อนุมานรู้ว่ารูปนามในอดีตหรืออนาคตก็ดับไปเหมือนรูปนามในปัจจุบันโดยเข้าใจตามปัญญาที่เห็นประจักษ์ จากประสบการณ์ของตนแล้วมักเกิดขึ้นเมื่อปจัจจคยานมีกำลังแก่กล้าในบางแห่งเรียกว่าอันวยายานคือปัญญาคร้อยตามปัญญาเห็นประจักษ์มีข้อความเกี่ยวกับเรื่องนี้ในคำพีวิสุทธิมักว่า 1. ผู้ปฏิบัติธรรมย่อมกำหนดรู้ว่าดับไปในกองสังขารที่ปรากฏในปัจจุบัน อันตนเห็นแล้วฉันใดสองย่อมอนุมานกำหนดรู้สังขารที่เป็นอดีตและอนาคตอันตนไม่ได้เห็นแล้วว่าดับไปคือใส่ใจความดับไปของกองสังขารที่ตนใส่ใจว่าแม้สังขารอื่นก็ดับไปเหมือนกองสังขารนี้ในปัจจุบันฉันนั้นอันหนึ่ง อาจกล่าวได้ว่าวิราคานุปัสนาเป็นมุลจิตุก ร, รมยาตายานอย่างอ่อนตรุณวิปัสนาเพราะคัมภีมหาดิกาข้างต้นระบุว่านิโรธานุปัสนาเป็นมุลจิตุกรมยาตายานอย่างแก่กล้าพลวะวิปัสนานอกจากนั้นการละราคาเป็นต้น ก็ควรเกิดขึ้นในสังขารที่กำหนดรู้ด้วยอนุมานยานเป็นการละด้วยวิคัมพนะปหานะเพราะบุคคลไม่อาจขจัดอนุสัยที่นอนเนื่องแล้วหรือจากนอนเนื่องในรูปนามฝ่ายอดีตหรืออนาคตที่ไม่ประจักษ์ได้ด้วยวิปัสนาขั้นโลกีแต่ขจัดได้ด้วยมัคคยานขั้นโลกุตระเท่านั้น ดังคำพีมหาดีกาของวิสุทธิมารกล่าวว่า 1. คำว่าราคังนิโรเทติทำราคะให้ดับหมายความว่าทำราคะให้ถึงความดับโดยข่มไว้ 2. ความหมายคือข่มราคะไว้ 7. ็ด ปฏินิสัทธานุปัสนาคําอธิบายอนุปัสนานี้ปรากฏในคัมภีมหาดีกาวิสุทธิมากว่า 1. ปัญญารู้เห็นที่ดําเนินไปโดยลักษณะสละทิ้งสังขารกิเลสที่สําคัญว่าเที่ยงเป็นสุขเป็นตัวตนชื่อว่าปฏินิสัทธานุปัสนา 2. ที่จริงแล้วปฏินิสัทธานุปัสนาเป็นปฏิสังขายาน ที่กำหนดรู้อีกและสังคารูเปขาญาณที่วางเฉยข้อความว่าปัญญารู้เห็นที่ดำเนินไปโดยลักษณะสละทิ้งสังขารเป็นสำนวนที่กล่าวไว้โดยอ้อมไม่ใช่เนื้อความที่กล่าวโดยตรงเพราะหมายถึงปัญญารู้เห็นที่ดำเนินไปโดยการสละทิ้งกิเลสที่สำคัญว่าเที่ยงเป็นสุขเป็นตัวตน ดังพระพุทธดารัสว่าหนึ่งดูกพิสูทั้งหลายรูปไม่ใช่ของเธอจงละรูปนั้นสองรูปที่เธอละได้แล้วนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขตลอดราตรีนานแม้พระพุทธพจน์ข้างต้นจะตรัสถึงการละรูปแต่รูปไม่ใช่ธรรมที่ควรละธรรมที่ควรละคือฉันทะราคะอันอาศัยรูปเกิดขึ้นดังนั้น การละรูปจึงเป็นการละฉันทราคะดังกล่าวเนื้อความที่พบในพระไตรปิฎกจําแนกเป็นสองประเภทคือ 1. น, นึตัตถะเนื้อความโดยตรงเช่นรู ป, ปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงเวทนาอานิจจาเวทนาไม่เทีย่ยง 2. ในยัตถะเนื้อความโดยอ้อมเช่นดูกราพิสุทธ์ทั้งหลาย รูปไม่ใช่ของเธอจงละรูปนั้นรูปที่เธอละได้แล้วนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขตลอดราตรีนานคาว่าตังรูปนั้นเป็นเนื้อความโดยอ้อมเพราะรูปที่เป็นทุกข์สัตว์ที่นับเข้าในปริญญา ย, ยธรรมคือธรรมที่ควรกำหนดรู้แต่ในที่นี้หมายถึงราคะที่เกิดขึ้นโดยอาศัยรูป การใช้คำในลักษณะนี้เป็นสำนวนทางภาษาที่เรียกว่าฐานูปจาระคือความหมายแฝงที่ได้จากคำแสดงสถานที่ในภาษาบาลีมีการใช้ภาษาอยู่ลักษณะหนึ่งที่ผู้พูดกล่าวถึงสถานที่แต่เจตนาหมายถึงผู้ที่อยู่ในสถานที่นั้นเช่นสัพโคาโมอากะโต ตามรูปคำแล้วแปลว่าบ้านทั้งหมดมาตามปกติแล้วบ้านจะมาไม่ได้ความหมายที่แท้จริงของประโยคนี้ก็คือชาวบ้านทั้งหมดมาในภาษาไทยมีการใช้คำลักษณะนี้เช่นกันตัวอย่างเช่นศาลตัดสินคำว่าศาลเป็นสถานที่จะเป็นผู้ตัดสินไม่ได้ผู้ตัดสินที่แท้ คือผู้พิาพากษาซึ่งเป็นผู้อยู่ที่ศาลในที่นี้เป็นการกล่าวถึงรูปอันเป็นที่ตั้งของราคาแต่เจตนานั้นหมายถึงราคาอันอาศัยรูปเกิดขึ้นอุปมาว่าผู้ที่ต้องการจะตัดขาดจากบุตรเลวทรามที่ก่อทุกข์ให้ครอบครัวเมื่อสามารถตัดใจได้ว่าเขาไม่ใช่ลูกของเราแล้ว ก็จะละความทุกข์ใจที่เกิดจากบุตรของตนได้ในทํานองเดียวกันเมื่อผู้ปฏิบัติธรรมรู้เห็นไตรลักษ์ตามความเป็นจริงแล้วละกิเลสที่ยึดมั่นว่าเที่ยงเป็นสุขเป็นตัวตนในสังขารได้ก็นับว่าได้ละสังขารไปด้วยคำพีดีกาจึงกล่าวว่าข้อความในพสูรเป็นสำนวนทางภาษาอย่างไรก็ตาม ในคำภีวิสุทธิ์ที่มักกล่าวถึงการละกิเลสโดยตรงว่าหนึ่งแม้ปัญญารู้เห็นความไม่เที่ยงเป็นต้นนี้ก็เรียกว่าการสลัดทิ้งไปด้วยการสละเพราะละกิเลสพร้อมทั้งขันและอภิสังขารกรรมด้วยตตังคปหานะละชั่วคราวและเรียกว่าการสลัดทิ้งไปด้วยการแล่นเข้าไปเพราะ แล่นเข้าไปในพระนิพพานอันตรงกันข้ามกับสังคตะธรรมโดยการน้อมไปในนิพพานนั้นด้วยการเห็นโทษของสังคตะธรรมคือพระไตรลักษณ์ 2. ดังนั้นภิกษุผู้ประกอบด้วยปัญญารู้เห็นนั้นจึงละกิเลสและแล่นเข้าไปในพระนิพพานโดยในดังกล่าวแล้วอีกทั้งไม่ยึดถือกิเลสไว้ด้วยการทําให้เกิด ไม่ยึดถืออารมณ์ของสังคตะธรรมด้วยความเป็นผู้ไม่เห็นโทษ 3. ฉะนั้นจึงกล่าวไว้ในคำพีปฏิสัมพิธามากว่าปฏินิสัตติโนอธิยติสลัดทิ้งไปไม่ยึดถือไว้ข้อความข้างต้นอธิบายได้ว่าวิปัสนาญาณทั้งสองคือปฏิสังขายาน และสังขารูปเปกขายานชื่อว่าปฏินิสัคานุปัสนาปัญญารู้เห็นความสละทิ้งเพราะสละกิเลสและเพราะแล่นเข้าไปในพระนิพพานโดยการน้อมไปในพระนิพพานนั้นโดยคําว่าปฏินิสักะสลัดทิ้งหมายถึงการสละทิ้งที่ไม่ต้องการหรือการปลดปล่อยสู่ที่ตนต้องการ อย่างแรกเป็นการสลัดทิ้งไปด้วยการสละปริจาคะปฏินิสักคะอย่างหลังเป็นการสลัดทิ้งด้วยการแล่นเข้าไปปักขันธนะปฏินิสักคะการสลัดทิ้งด้วยการสละคือการสละกิเลสที่ยึดมั่นว่าเที่ยงเป็นสุขเป็นตัวตนในสังขารที่กำหนดรู้อยู่ อีกทั้งละกุศลธรรมและอกุศลกรรมที่มีกิเลสเป็นเหตุพร้อมด้วยวิบาคขันที่เป็นผลกรรมโดยตัดทังขปหานะการสลัดทิ้งด้วยการแล่นเข้าไปคือการน้อมไปสู่พระนิพพานที่มีสภาพเที่ยงเป็นสุขเป็นปรมาจอันตรงกันข้ามกับสังขารวิปัสสนาญาณทั้งสองนี้เห็นโทษของสังขารเหมือนคนที่เห็นภัย ในสถานที่ใดสถานที่หนึ่งและต้องการไปสู่สถานที่อื่นอันหนึ่งการน้อมไปสู่พระนิพพานเป็นเพียงความต้องการจะดับสังขารไม่ใช่การรับเอาพระนิพพานเป็นอารมณ์ข้อความว่าอีกทั้งไม่ยึดถือกิเลสไว้ด้วยการทำให้เกิดอธิบายได้ว่าเมื่อบุคคลไม่รู้เห็นพระไตรลักษกิเลสย่อมได้โอกาสเกิดขึ้น ในอารมณ์ที่ไม่ได้รู้เห็นพระตรลักษณ์แต่เมื่อกิเลสได้โอกาสเกิดขึ้นบุคคลก็ชื่อว่ายึดถือกิเลสทำให้เกิดกิเลสส่วนผู้ปฏิบัติที่รู้เห็นพระตรลักษณ์แล้วย่อมไม่ให้โอกาสเกิดกิเลสในอารมณ์ปัจจุบันที่ตนกําหนดรู้อยู่จึงไม่ชื่อว่ายึดถือกิเลสทำให้เกิดกิเลส เพราะกิเลสไม่ได้โอกาสเกิดขึ้นข้อความว่าไม่ยึดถืออารมณ์ของสังฆตะธรรมด้วยความเป็นผู้ไม่เห็นโทษอธิบายได้ว่าผู้ที่ไม่เห็นโทษมีความไม่เที่ยงเป็นต้นย่อมชื่อว่ารับเอาสังขารที่เป็นอารมณ์เพื่อการยึดมั่นด้วยกิเลสในทุกขณะที่คิดถึงสังฐานธรรม ส่วนผู้ที่รู้เห็นพระไตรลักษ์แล้วย่อมเห็นโทษดังกล่าวจึงชื่อว่าไม่ ย, ยึดถืออารมณ์ของสังคตะธรรมเพราะไม่ ย, ยึดมั่นด้วยกิเลสมหาวิ<ม>ปัสสนา18นับเข้าในอนุปัสสนาเจ็เมื่ออนุปัสสนา7็เริ่มตั้งแต่อนิจจานุปัสสนา จนถึงปฏินิสคานุปัสนาปรากฏบริบูรณ์แล้ววิปัสนาสิบประการที่กล่าวต่อไปก็ปรากฏบริบูรณ์ไปด้วยดังกล่าวไว้ในคำภีอัตกถาหลายแห่งว่าผู้เจริญวิปัสนาควรเจริญอนุวิปัสนาเจ็แม้ในคำภีปฏิสัมพิทามักก็กล่าวถึงอนุปัสนาเจไว้หลายแห่งนอกจากนั้น ถาอนุปัสนาสคืออนิจจานุปัสนาทุกขานุปัสนาและอนัตตานุปัสนาปรากฏบริบูรณ์แก่ผู้เจริญวิปัสนาแล้วนิพธานุปัสนาวิราคารุปัสนานิโรธานุปัสนาและปฏินิสักานุปัสนาย่อมปรากฏบริบูรณ์ได้เองดังนั้นพระพุทธองค์จึงมักเน้น การเจริญอนุปัสนาสามข้างต้นดังข้อความในคำภีมหาดีกาของวิสุทธิมักว่าที่จริงแล้วประเภทของอนุปัสนาที่จำแนกเป็นเจและสิบแปดประการเป็นต้นย่อมนับเข้าในอนุปัสนาสามมีอนิจจานุปัสนาเป็นต้นดังนั้นวิปัสนาที่บรรลุถึงความยิ่งยวด จึงดำรงอยู่โดยเนื่องด้วยอนุปัสนาสมนั่นแหละข้อความนี้อธิบายได้ว่าแม้วิปัสนาจากกล่าวจำแนกได้หลากหลายเป็นอนุปัสนา7มหาวิปัสนา18วิปัสนา40เป็นต้นก็สามารถนับเข้าในอนุปัสนาสคืออนิจจานุปัสนาทุกขานุปัสนาและอนัตตานุปัสนา ถ้าจเจริญอนุปัสนาสามอย่างบริบูรณ์วิปัสนาอื่นทั้งหมดก็เป็นอันบริบูรณ์ไปด้วยดังนั้นวิปัสนาที่ถึงความยิ่งยวดจึงตั้งอยู่โดยการรู้เห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนดังข้อความในคำพีปฏิสัมพิธามากว่า 1. อนุปัสนาเหล่านี้คืออนิจจานุปัสนาและอนิมิตตานุปัสนา มีสภาพอย่างเดียวกันต่างกันแต่เพียงศัพท์ 2. อนุปัสนาเหล่านี้คือทุกขานุปัสนาและอัปนิหิตานุปัสนามีสภาพอย่างเดียวกันต่างกันแต่เพียงศัพท์ 3. อนุปัสนาเหล่านี้คืออนัตตานุปัสนาและสุญญตานุปัสนามีสภาพอย่างเดียวกันต่างกันแต่เพียงศัพท์ ด้วยเหตุนี้เมื่ออนิจจานุปัสสนาปรากฏบริบูรณ์แล้วอนิมิตานุปัสสนาก็ปรากฏบริบูรณ์เมื่อทุกขานุปัสสนาปรากฏบริบูรณ์แล้วอัปปนิหิตานุปัสสนาก็ปรากฏบริบูรณ์เมื่ออนัตานุปัสสนาปรากฏบริบูรณ์แล้วสุญญตานุปัสสนาก็ปรากฏบริบูรณ์อันหนึ่งเมื่ออนุปัสสนาสามปรากฏบริบูรณ์แล้ว อธิปัญญาธรรมวิปัสนาคือปัญญาเห็นประจักษ์ธรรมอันเป็นอธิปัญญาปัญญารู้เห็นความดับไปของอารมณ์ปัจจุบันและวิปัสนาจิตที่กำหนดรู้อารมณ์นั้นแล้วเข้าใจความว่างเปล่าเป็นต้นด้วยอำนาจพังขยานย่อมปรากฏบริบูรณ์ส่วนปัญญารู้เห็นตามความเป็นจริงยถาภูตยานทัศนะ ย่อมปรากฏก่อนเพราะเป็นเหตุของอนุปัสนาเหล่านั้นดังคำพีวิสุทธิมักกล่าวว่าหนึ่งอธิปัญญาธรรมวิปัสสนาก็คือวิปัสสนาทั้งปวง 2. ปัญญารู้เห็นตามความเป็นจริงก็นับเข้าในกังขาวิตรณะวิสุทธินั่นเองส่วนวิปัสสนาอีกสิบประการที่เหลือพึงทราบว่า เมื่ออนิจจานุปัสสนาปรากฏบริบูรณ์แล้วนิโรธานุปัสสนาขยานุปัสสนาวายานุปัสสนาและวิปริณามานุปัสสนาก็ปรากฏได้อีกด้วยเมื่อทุกขานุปัสสนาปรากฏบริบูรณ์แล้วนิพิทานุปัสสนาวิราคานุปัสสนา และอาทีนาวานุปัสสนาก็ปรากฏได้เมื่อทุกขานุปัสสนาปรากฏบริบูรณ์แล้วนิพพิทานุปัสสนาวิราคานุปัสสนาและอาทีนาวานุปัสสนาก็ปรากฏได้ดังคาภีมหดีกาของวิสุทธิมักว่าหนึ่งโดยแท้จริงแล้วเมื่ออนิจจานุปัสสนาปรากฏบริบูรณ์แล้วนิโรทานุปัสสนา ขยานุปัสสนาวยานุปัสสนาและวิปริณามานุปัสสนาชื่อว่าปรากฏเป็นบางส่วน 2. เมื่อทุกขานุปัสสนาปรากฏบริบูรณ์แล้วนิพิทานุปัสสนาวิราคานุปัสสนาและอาทีนวานุปัสสนาชื่อว่าปรากฏเป็นบางส่วน 3. เมื่ออนัตตานุปัสสนาปรากฏบริบูรณ์แล้ว ปฏินิสักานุปัสนาปฏิสังขานุปัสนาและวิวัตานุปัสนาชื่อว่าปรากฏเป็นบางส่วนข้อความว่าปรากฏเป็นบางส่วนหมายถึงความปรากฏของอนุปัสนาบางส่วนในระดับสัมมสนาญาณแต่ในระดับพังคยานเป็นต้นไปอนุปัสนาย่อมปรากฏบริบูรณ์ ในคำพีมหาดีคาของวิสุทธิมัชฉบับใบลานหลายฉบับไม่พบวิราคานุปัสนาในเรื่องทุกขานุปัสนาแต่คิดว่าคงจะตกไปจากการจานใบลานต่อๆกันมาเพราะวิราคานุปัสนากราวไว้ในคำพีปฏิสัมพิามักว่าละกามุปาทานเหมือนทุกขานุปนัสนาไม่ได้กราวว่าละทิฏฐปาทาน ศีลพุตธ ป, ปาทานและอัตตวาทุก ป, ปาทานเหมือนอนัตตานุปัสนาดังนั้นวิราคานุปัสนาจึงควรจัดเข้าในกลุ่มทุกขานุปัสนาที่มีการละกิเลสตัวเดียวกันนุปัสนาทั้งสาคืออนิจจานุปัสนาทุกขานุปัสนาและอนัตตานุปัสนา ย่อมปรากฏบริบูรณ์ด้วยการรู้เห็นความดับไปของรูปนามที่กําหนดรู้ในเวลาที่ยานรู้เห็นความดับแก่กล้าเท่านั้นดังข้อความในคมภีร์มหาดิกาวิสุทธิมักว่าหนึ่งอ น, นึ่งผู้กล่าวหน้าที่ในการรู้เห็นโดยเฉพาะตามในว่าความรู้เห็นว่าไม่เที่ยงไม่รู้เห็นว่าเทียงเป็นต้น ไม่มีในพังขยานนี้ลักษณะไม่เที่ยงทั้งหมดนั้นเป็นอันบุคคลเห็นได้ด้วยการรู้เห็นความดับอย่างเดียวสองคำกล่าวนั้นเหมาะสมในเมื่อปัญญารู้เห็นความดับถึงความยิ่งยวดสามแต่อนุปปัสนาที่รักคนกันโดยลักษณะต่างๆย่อมมีได้โดยแท้ ในเบื้องต้นก่อนจะถึงความยิ่งยวดดังกล่าวแม้พระดิกาจารจะกล่าวว่าเป็นความเห็นของบางคนในทำนองคัดค้านก็เพียงคัดค้านความเห็นที่หมายถึงพังคยานอย่างอ่อนไม่ได้คัดค้านโดยหมายถึงพังคยานระดับแก่กล้าจึงจัดเป็นความเห็นที่ท่านยอมรับดังคำพีปฏิสัมพิธามักกล่าวว่า ความเป็นอย่างเดียวที่ปรากฏในลักษณะดับไปของสังขารเป็นความเป็นวิปัสนาจิตอย่างเดียวที่ปราศจากกิเลสระคนกันของผู้เจริญวิปัสนาทั้งหลาย